มาสการพระคุณเจ้าที่ก็รับอย่างสูงและสวัสดีญาติธรรมนักปฏิบัติธรรมที่ก็รับรักทุกท่านก็ในช่วงบ่ายวันนี้ก็รู้สึกินดีที่จะได้มีเกียรติทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรมาให้แง่คิดให้กําลังใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ ให้การปฏิบัติครั้งเนี้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะก็อนุโมทนากับญาติธรรมทุกท่านที่เห็นประโยชน์ในเรื่องการปฏิบัติธรรมมารวมกลุ่มรวมตัวกันเพื่อเสริมบุญกุศลจากสิ่งที่ได้ทำมาก็เป็นที่น่ายินดีเพราะสมัยนี้นี่การปฏิบัติธรรมนี่มีทุกเพศทุกัป ทั้งคนปกติและคนพิการเมื่อวานนี้ได้ไปที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์เจอในทักปฏิบัติหรือผู้สนใจธรรมะเนี่ยหนุ่มน้อยสาวน้อยเป็นวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังจะสดใสเบิกบานแต่สนใจธรรมะมาวันนี้นี่ก็อีกวัยหนึ่งก็ประทับใจนะอ๋อธรรมะเนี่เบิกบานมีทุกเพศทุกใ ก็เนี่ยถืวเป็นสิ่งที่ดีมากสมัยนี้นี่การปฏิบัติธรรมมันจะเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจะมีผู้สูงอายุเข้าอยู่ตามวัดสนใจเรื่องธรรมะที่จริงเนี่ยผู้สูงอายุนี่ไม่ค่อยมีแรงทําบาปนะแต่ก็ยังสนใจแต่พอผู้สูงอายุล่วงลับดับสังขารไปไม่มีคนมาแทนที่ เดี๋ยวนี้ตามมัธสังเกตดูผู้บวชก็น้อยลงผู้ปฏิบัติก็น้อยลงไม่มีการสืบทอดแต่เดี๋ยวนี้นี่มีและวเด็กหนุ่มๆก็มาสนใจธรรมะเหมือนกันแต่ส่วนมากยังสนใจแค่การฟังการฟังการคิดเพราะว่าคนสมัยนี้ชอบเรื่องการคิดคิดให้มันสำเร็จรูปบรรลุธรรมไปเลยไม่ค่อยลงทุนะ่ะ มันเป็นไปไม่ได้หรอกธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กับชีวิตเราทุกคนเนี่ยสามารถที่ศึกษาธรรมะได้เท่าเทียมกันทั้งพระทั้งโยมทั้งฆรวาสการฟังธรรมก็เช่นเดียวกันการฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นบุญบุญเกิดจากการฟังธรรมแล้วการแสดงธรรมก็เป็นบุญคนที่แสดงอาจจะไม่ใช่พระ อาจจะเป็นคนพิการเป็นชายเป็นหญิงถ้าพูดธรรมะแล้วก็เราฟังตามเป็นบุญทั้งนั้นจะหล่อหรือไม่หล่อไม่สาคัญธรรมะมีอยู่ในคนทุกคนถ้าธรรมะสื่อกันได้ได้ประโยชนจากการฟังแล้วก็เป็นบุญทั้งนั้นบุญยมีหลายขั้นขั้นให้ทานอันนี้ก็เป็นบุญบุญขั้นต้นๆขั้นรักษาศีลอันนี้ก็เป็นบุญสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ บุญสูงสุดนั้นต้องภาวนาต้องภาวนาจะเป็นบุญสูงสุดเลยบุญสูงสุดคืออะไรคือสิ่งที่ทำแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยมันละกิเลสได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่การให้ทางการรักษาศีลนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดในอบัยวูมิได้ถ้าจิตใจยังเล่าร้อนอยู่แต่การภาวนาเนี่ยทำแล้วเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง รดละเลิกกิเลสถอนความยึดมั่นถือมั่นพ้นการเกิดได้ก่อนที่จะตายที่ซ้ำไปเราให้ทานมามากแล้วเรารักษาศีนมามากแล้วตอนนี้เรามารวมตัวกันภาวนา <c oughs> เวลามาเหลือน้อยแล้ว <c oughs> มันขาลงแล้วตอนนี้ขาลงเขาแล้ว <c oughs> เวลาเหลือน้อยแล้วเราจะมัให้ทานรักษาศีนเดียวไม่เพียงพอแล้วเราต้องทำภาวนาศา ส, สนาพุทธนี่ไม่ใช่มีเฉพาะการให้ทานรักษาศีนนะ การให้ศารักษาศีลมีมาก่อนมีมาก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นไปซ้ำไปศา ส, สนาพุทธนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาถือว่าเราโชคดีที่เกิดมาในร่มของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่ภาวนาเนี่ยมันจะเสียโอกาส <c oughs> ว่าพระเจ้าจะตรัสรู้ได้แต่ละครั้งนี่โอ้นานมากปัจจุบัเปลี่ยนโอกาสดีแล้วมีพระเจ้าพระสงฆ์มีการณมิตรเนี่ยเราก็มาทําตรงนี้ หลายคนอาจจะนึกแปลกใจเอา้าอยู่ดีๆทำไมมีคนพิการมาดั่งพูดสงสัยไหมผมเองนี่แต่ก่อนก็ไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะไม่เคยสนใจธรรมะสมัยที่อายุ น, น้อยๆก็สนใจแต่เรื่องการสแสวงหาความสุขสุขเกิดจากการดูเกิดจากการฟังทำให้มากๆเพื่อชีวิตจะได้มีความสุขควยคว้าสแสวงหาไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะ แล้วก็คนเราเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกรรมเขาเรียกกรรมลีกิจวันร้ายคืนร้ายก็เลยประสบบัตรเหตุอยู่บ้านแค่วันเดียวเขาไม่ออกไปไหนนี่อิดอัดไหมป่วยเจ็บขาหน่อยเนี่ยเขาไม่ให้เดินนี่เป็นยังไงบ้างรู้สึกสบายใจไหมที่ไม่ต้องเดินอย่างบอกใครที่ขี้เกียจทางานเนี่ยมามาแลกกัน แลกกันสักวันน <Yeah. S 1> ถ้าชอบใจติดใจแล้วก็แลกกันตลอดไปเลยก็ได้ไม่มีแคลร่างกายไม่เป็นอิสระแค่วันเดียวเรายังทนอยู่ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่สบายใจแสวงหาในสิ่งที่เราต้องการได้นอกจากร่างกายทุพ ก, การตลอดชีวิตแล้วเนี่ยเราอยากจะต้องการสิ่งที่เราอยากจะได้แล้วก็แสวงหาไม่ได้ก่อนจะค่อยได้ป่วยนี่ก็ทุกข์อยู่แล้วและทุกข์เกิดจากความผิดหวังปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นมันทุกทุกทั้งกายทุกทั้งใจเลยยี่สิบสี่ปีนี่ยังมีกำลังวังชาเพราะความประ ม, มาทไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะเสนใจเรื่องธรรมะหากินเวลามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันขาดที่พึ่งคนเราส่วนมากนี่เก่งเฉพาะเป็นฝ่ายรุกรุกร่ายหาความสุขแต่พอตกเป็นฝ่ายรักเนี่โอ้หมดท่าเลยเห็นไหมหมวยพระใหญ่หมวยลุกนี่บางทีเก่งนะ แต่พอเจอผู้ทุกข์ที่ลุกมากกว่าเนี่ยรักไม่เป็นถูกนอกเลยผมก็เช่นเดียวกันรุกไล่ที่จะแสวงหาความสุขให้กับตัวเองแต่เวลามีความทุกข์นิดรับมือกับความทุกข์ไม่ได้จนใจจนปัญญาจนทุกอย่างอันนี้คือสรอ้างเป็นทุกข์และแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เมื่อเราแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้มันก็เวลาคิดเดียมันก็คิดโดยปกตินี่คนที่ไม่พิ ก, การไม่ป่วยนี่อยู่เฉยก็คิดอยู่แล้วใช่ไหม เห็นไหมคนว่า ง, งานเนี่ยคิดมากนะคนว่า ง, งานก็ฆ่าตัวตายได้นะพอคิดมากแล้วนี่พิการด้วยไปไหนมา ไ, ไหนไม่ได้ด้วยแล้วความคิดมันจะมากขนาดไหนไม่เป็นระเบียบไม่เป็นลําดับทุกมากเพราะความคิดขาดที่พึ่งขาดปัญญามีคนทให้กําลังใจก็มีคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนจะมีคุณพ่อคุณแม่นะเดี๋ยวนี้เหลือแต่คุณแม่ลนะคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง ทุกคนช่วยเหลือให้กำลังใจไม่เคยพูดอะไรกดดันให้เราต้องคิดให้เป็นทุกข์เลยนี่สิ่งวัลลที่ดีนะคุณพ่อคุณแม่คนใกล้ตัวเนี่ยสําคัญมากถ้าเราเป็นคนหงุดหงิดกึดอับเราไปดูแลใครคนไข้คนป่วยเขาก็เครียดไปด้วยถ้าเขาให้กำลังใจคนไข้ก็มีกําลังใจคุณพ่อคุณแม่ก็เปเพียงแค่พูดช่วยเหลือเราข้างนอกแต่ใ น, ในใจนั้นเขาไม่สามารถจะช่วยเหลือใจเราได้ใจต้องช่วยใจเราเอง เขช่วยหยิบน้าหยิบอาหารอาบน้ําอะไรให้อั น, นั้นเป็นที่พึ่งภายนอกแล้วก็พึ่งได้ชั่วคราวนะเมื่อท่านทําไม่ไหวนี่เราก็พึ่งท่านไม่ได้ไม่แต่มองตากระปิดๆตัว น, นี้คุณแม่ผมช่วยผมไม่ได้ล่ะแต่ก่อนยกผมอุ้มผมตนหลังนอหลังคตอุ้มตั้งแต่อายุห้าสิบจนกระทั่งเกือบจะหกสิบต้องปวดกระเสียนเลิกยกผมไม่ทันทีเลยเพร า, ายกไม่ไหวแล้วแล้วตอนนี้ก็มองหน้ากันเฉยๆพึ่งได้แค่นั้นแหละ แต่ใจเราจะเป็นทุกข์อยู่แต่คุณแม่ก็หาวิธีการนะเนี่ยพาไปรักษาการรักษาข้างแรงรักษาเป็นในโรงพยาบาลนะเขาเรียกแพทย์แผนปัจจุบันกระดูกมันหักใช่ไหมก็ผ่าตัดเอากระดูกตรงเนี้ยเชิงกลานเนี่ยพาตัดสองที่นะเอากระดูกตรงนี้มาต่อที่ต้นคอกระดูกของอานมาต่อกันเพื่อให้คอมันไม่หักจริงคนคอหักนี่คอมันตั้งไม่ได้พอต่อแล้วก็ใส่ล็อกอไว้แม่คอมันขึ้นไว เสร็จแล้วก็ทกํากายภาพฝึกการเคลื่อนไหวตะกอนเคลื่อนไหวไม่ได้หรอกนองก็พิษตายอย่างเดียวหายใจพูดก็ไม่มีเสียงแต่พอฝึกกายภาพไปบ้างมันก็มีการเคลื่อนไหวหายใจดีขึ้นแล้วหมอที่ว่าแพทย์ปัจจุบันก็ช่วยวเราไม่ได้แล้วต้องกลับไปบ้านเตียงนี้นอนนานแล้วเกือบสี่เดือนแล้วกลับไปนอนที่บ้านดูอื่นจะได้มาอยู่ต่อไปอยู่บ้านเนี่ยรักษาอะไรไม่ได้คุณแม่ตอไมไ่ช่วยเราอย่างไรก็พาเราไปรักษา เที่ยวรักษาเพื่อให้โรคทางกายเราหายถ้าไม่มีคุณแม่เนี่ยใครจะพาผมไปทั้งนั้นคุณพ่อกาลังทํามาหากินอยู่ในเรือนะผมเป็นลูกชาวเรือเดินเรืออยู่ลําน้ําเจ้าพระยาคุณพ่อกาลังหาเงินอยู่คนเดียวคุณแม่ก็มาดูแลผมเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันสองคนคุณแม่คุณพ่อก็พาผมไปรักษาเพื่อให้โรคทางกายผมหายเป็นปกติหมอทุกประเภทหมอยาสมุนไพ ร, บ, รบีบนวด รถน้ํามนตพ่นน้ำหมาหากสรลศทุกอย่างศยศาสตร์ผีเจ้าเข้าทรงพิสูน์ทุกอย่างเลยไม่สามารถทําให้ร่างกายผมหายเป็นปกติได้ร่างกายไม่หายใจก็ยังเป็นทุกข์เหมือนเดิมบางทีทุกข์มากกว่าเดิมอีกเพราะผิดหวังแต่ได้ความรู้ได้ความรู้ได้ความเข้าใจว่าอ๋อโรคบางอย่างเนี่ยมนรักษาไม่หายเชื่อตะเวรรักษาไปจนหมดเนื้อหมดตัวไม่ได้หมดกิเลสหมดเงิน งั้นกับการรักษาติดร่างกายไม่หายแน่นอนแนละ้วคุณแม่ทำหน้าที่ดูแลต่อไปถึงคิวคุณพ่อ <c oughs> คุณพ่อแสวงหาทางจิตคือท่านเองก็มีความทุกข์มากคุณพ่อเนี่ยดืม่มสุราสูบบุหรี่แล้วก็กาแฟน้ำชายาอมยาดมยาหม่อ ง, องคุณพ่อต้องอาศัยพระเนตรเป็นเครื่องช่วยมันท่านจะเป็นทุกข์มากแต่ท่านก็ได้คิดว่าอ๋อในยาม น, นี้นี่ ลูกชายเนี่ยต้องการที่พึ่งภายในคุณพ่อคุแม่ต้องฉลาดนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเป็นคนที่มองอะไรได้ไกลที่พึ่งภายนอกนี่มีเงินสักร้อยล้านพันล้านสภาพยอย่างเงี้ยถ้าขาดที่พึ่งภายในก็ไม่มีความสุขท่านแล้วต้องอาศัยที่พึ่งภายในที่พึ่งภายในที่สุดก็คือธรรมะต้องอาศัยธรรมะธรรมะโอสถยาคือธรรมะรักษาภายในจิตใจโรค บ, บางอย่างเนี่ยมันต้องรักษาข้างในทางข้างนอกนะ บางอย่างรักษาข้างนอกแต่ข้างในยังเป็นหนองอยู่นะเห็นไหมเวลาแผลบางแผลนี่เขาทําแผลข้างนอกแล้วข้างนอกมันติดกันแต่ข้างในมันยังกลัดหนองอคุณพ่อได้ลงทุนเลยนะไปปฏิบัติธรรมตามที่ต่างๆสแสวงหาธรรมะวิธีการปฏิบัติวิธีการแก้ทุกข์เพื่อไม่ให้ผมได้เรียนรู้มีหนังสือมีเทปเล่าถึงการปฏิบัติเดินจงกรมให้ดูบางทีเราก็ดูพ่อเดินจงกรมแล้วก็กำหนดตามทีละข้า เราเดินไม่ได้เราก็ดูก้าวแต่ละก้าวเราก็รู้สึกตามไปคิดจินตนาการโดยสายพ่อเดินจงกรมให้ดูเนี่ยคุณพ่อผู้ชายฉลาดเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอยากช่วยเขาแต่เราไม่มีความรู้ที่จะช่วยเขาได้มันก็อึดอัดนะคุณพ่ออึดอัดเหมือนกันพอไปศึกษามาก็เอาวิธีการปฏิบัติเนี่ยมาให้ผมลองปฏิบัติทุกวิธีการท่านเจ้าคุณโชดกที่วัดมหาธาตุ ก็แนวของคุณแม่ศิรินี่แหละยุบหนอนพองหนอก็ทํามาแล้วคุณแม่สอนกรรมฐานอย่าอยู่เฉยๆนะนอนทำไมเฉยๆนอนบริการพุทโธไปเลยก็ฝึกพุทโธกรรมฐานนี่มีผสมกันหลายอย่างทั้งพุทโธนึกได้พุทโธกับพุทโธนึกได้ยุบหนอนพองหนกก็ยุบหนอนพองหนอนอนทําอยู่บนเตียงก็ยังไม่ได้ผลทาทีไรก็หลับทุกทีนอนหลับตาหายใจเข้าพูดหายใออกโท พอจิตสงบปุ๊บหลับเลยดิบผ่านชั่วคราวตื่นมาเราโอ้ยเป็นทุกข์เหมือนเดิมมันหลอกให้เราชั่วคราวได้พักผ่อนชั่วคราวตื่นมาแล้วก็เป็นทุกข์แล้วชีวิตเรานี่มันต้องตื่นใช่ไหมมันต้องตื่นที่จะไม่ทุกข์รอหลับแล้วไม่ทุกข์ไม่ตายก็ดีกว่ายุบเนอเพราะเนอเหมือนกันนอนปฏิบัติเนี่ยมันก็หลับสิหนูนั่งเฉยเฉยนี่หลับไหม ยังง่วงใช่เอมแล้วตอนนอนฟังเนี่ยโอ้ไม่เหลือเลยไม่เหลือเยอะใหญ่เลยเดินจงกว่าาทีหลับก็มีนะมีแม่พใหญ่วงใช่ไหมนั่งยกมือเดี่ยมันทีก็ง่วงนะเยแล้วนอนปฏิบัติดีมันจะเหลืออะไรก็ง่วงก็คิดว่าการแบบเนี้ยคงจะไม่ได้ผลแล้วคนเราเวลาทําอะไรไม่สําเร็จเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมันจะมีความคิดเราคงทําไม่ได้เราคงไม่มีบุญวาสนาบารมี คนพิการมันทำได้เหมือนเขาจะได้ยังไงเดินจงกรมก็ไม่ได้นั่งยกมือสั่งยบะก็ไม่ไหวนั่งสมาธิก็ไม่อยู่เป็นคนเรียกว่ามีปมด้อยไอ้คนคิดแบบเนี้ยมันทําให้เราท้อแท้แล้วคนเราต้องไป็นอนี้ซะด้วยนะเวลามีความทุกข์มาจะคิดให้มันเป็นทุกข์หนักก็้นท้อแท้หมดกาลังใจคิดไม่เป็นความคิดมีสองอย่างนะมีคิดเป็นกับคิดไม่เป็นคิดเป็นคือคิดแล้วทําให้ใจเราปลอดโปร่ง คิดแล้วแก้ปัญหาตัวเองคิดแล้วไม่เป็นทุกข์คิดแล้วเอาตัวรอดจากปัญหาได้อันนี้คือคิดเป็นส่วนคิดไม่เป็นเนี่ยคิดติลายนี่ปวดเนื้อปวดตัวเจ็บอกเจ็บใจเศร้าหมองนั่นแหละคืออาบยภูมอ่ะงั่นนั่นคือคิดไม่เป็นแล้วเราจะาเปลี่ยนความคิดได้เราอยากเปลี่ยนความคิดได้เนี่ยต้องมีสติก่อนพอดีโชคดีที่คุณพ่อนี่ ได้นําวิธีการปฏิบัติจิสติแบบเคลื่อไนไหวแน่ลวงพระเทียนเนี่ยให้เราลองทําดูก็ลองศึกษาดูแล้วน่าจะดีนะสมานี้เคลื่อนมันเวิร์กผมก็ไม่รู้เขาเวิร์กมาเขาเวิ work, ไปอย่างนี้แหละมันน่าจะดีเพราะมีการเคลื่อนไหวเนี่ยไ อ, อ้อนรอนเฉยเฉยนี่มันจะต้องหลับถ้ามีการเคลื่อนไหวนี่มันเป็นการกายภาพในตัวมันก็คิดว่าเป็นปัญหาอีกแหละคนเราไม่จะคิดว่าเป็นอุปสรรคที่เรายกมือไม่หวมีมืออยู่ข้างเดียวข้างมันยกไม่ค่อยไหว สีสสิจังหวะนี้ทำได้รือ ม, มันก็คิดเป็นอุปสรรคอันนี้เป็นเพราะอะไรรู้วิธีการปฏิบัติแต่ตั้งต้นไม่ถูกเพราะขาดครูบาอาจารย์ขาดเพื่อนขาดการยร ม, ม, มิตรผมนอนปฏิบัติที่บ้านนะมีคุณพ่อคุณแม่เช้าขึ้นทักลงไปทำงานแล้วปล่อาอยู่คนเดียวมันจะทำยังไงไม่มียรรมิตรที่แท้จริงขาดเพื่อนถ้าสมัยนี้ น, นะมีกุญแจามาช่วยใกล้ ถ้ามีผู้เรามาปฏิบัติร่วมกันเนี่ยมันช่วยทําให้การปฏิบัติดีขึ้นผมไม่มีการระยำลามิตรเนี่ยก็ได้โชคดีที่คุณพ่อได้รู้จักกับหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อคำเขียนสุวรโนโนีเบญตาสุกโตอเบรแกงคอรอชัยภูมินะท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อเทียนแล้วหลวงพ่อเทียนท่านมรรภาพไปแล้วตอนนี้ก็เหลือหลวงพ่อคาเขียนที่เสิทธ์หลวงพ่อเทียนท่านสอนการจลศีแบกเคลื่อนไหวแบบเนี้ยเราก็คิดว่า ท่านคงจะช่วยเราให้ปฏิบัติได้เขียนจดหมายไปหาท่านท่านก็แนะนํามาคือเล่าถึงสภาพที่พิการให้ท่านเจ้าบว่าเราในพิการนอนจะเป็นส่วนมากเคลื่อนไหวได้แค่มือแค่ศีรษะเท่านั้นจะสามารถจรดสติเพื่อดับทุกข์ได้ไหมเขี ย, น, ยนไปแล้วเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะต้องรับคําตอบนะก็มีแต่ความผิดหวังมากคงจะไม่รับคําตอบหรอกเพราท่านเมตตานะตอบมาเลยคนพิการเนี่ยก็ปฏิบัติตทําได้เพียงประโยชนแค่เนี้ยเรามีกํำลังใจ ท่านก็ไม่เคยเห็นเรานะท่านให้กําลังใจปฏิบัติได้ทําได้ให้นอนพิกมือเล่นเราอยู่บนเตียงแลนะไม่ต้องมาวัดหรอกดับทุกอยู่บนเตียงนอนพิกมือเล่นทิกมือหงายเนียรู้สึกพิกมือคว่ำรู้สึกหงายรู้สึกคว่ำรู้สึกรู้สึกตัวทุกครั้งที่มือมันเคลื่อนไหวรู้เฉยเฉยรู้เล่นเล่นสบายสบาย แนี่ทำเยงแค่เนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตผมใหม่ได้แค่นอนพลิกมือแล้วก็รู้สึกตัวแค่กายเคลื่อนไหวใจรู้ตานเท่านั้นมันเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้จากทุกเป็นไม่ทุกจากคนพิการเป็นไม่พิการทางจิตทำแค่เนี้ยแต่ทานานๆน่ะนะ <c ười> คล้ายๆกับที่อดีตทำยกมือเนี่ยสิีจังหวะเห็นไหมสิีจังหวะคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ ว, ว่า ผมนี่เก็บตัวรู้ได้น้อยยันทำได้สิบสี่รู้ผมได้สองรู้นี่ไหมถ้าจะเปลี่ยนนะเหมือนตะขาดที่มันดักปลาเนี่ยตะขาดักปลานะผมมีแค่สองรูมีโอกาสตาติดได้สองรู้แต่ยัน ท, ทำเนี่ยโหสิบสี่รู้โอกาสที่จะเก็บเกี่ยวตัวรู้เนี่ยมีมากเลยแค่รู้สึก เ, เล่นๆง่ายนะที่มันยากเพราะเราไปคิดอะไรมากไม่ต้องคิดรู้เฉยๆ รู้แบบไม่ต้องใช้ความคิดรู้แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขรู้แบบธรรมชาติตงๆลงไปไงั้นรู้แบบโง่ๆไม่ต้องใช้ความคิดอะไรแบบไม่รู้อะไรแต่รู้เนื้อรู้ตัวพเรากลาลังเคลื่อนไหวง่ายมากเลยไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องหลับตาไม่ต้องบริการทำที่ไหนก็ได้ขอให้มันมีรู้สึกตัวก็แล้วกันแต่ว่าทำใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดานะมันต้องมีความคิดใช่ปัญหาใหญ่เลยคือความคิดคือเรื่องของจิต ปัญหาแรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องกายนะกายนี่มันมันสู้อยู่แล้วแต่เรื่องของจิตเนี่ยมันสร้างปัญหามันคิดปรุงแต่งเทําอย่างนี้นี่มันจะรู้ทําได้หรือ <c oughs> เราไม่เคยปฏิบัติอย่างนี้นี่คิดเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดถึงถูกมันก็ยังคิดอยู่ผิดมันก็ยังคิดอยู่แต่รู้เฉยๆเนี่ยมันไม่ต้องคิดเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลอย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไงเปรียบเทียบอาจารย์คุณนั่นสอนอย่างนั้นอาจารย์คนนี้สอนอย่างนี้ตําราว่าอย่างงั้น อันนั้นเนิอช้าเสียเวลาวางตำลาไปก่อนภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาภาวนาคือการขยันรู้สึกตัวไม่ใช่ขยันคิดหรือขยันอ่านตาําราเรามาทําภาวนามายะปัญญาแล้วตาําราเอาทิ้งไว้ก่อนไม่มีไงหรอกเอาตำลามาปฏิบัติได้ไม่มีเนี่ยเราจะต้องเข้าใจแบบนี้เมื่อเวลามันเกิดความคิดการปฏิบัตินะมันเกิดความคิด มันเป็นธรรมดาอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปบังคับเมื่อเราไม่ปฏิบัติเราคิดไหมตอนเราไม่ปฏิบัติเราคิดไหมคิดอยู่แล้วคิดมากด้วยแต่เราไม่เคยสังเกตแต่เราพอมาปฏิบัติเนี่ยมันจะเริ่มรู้แล้โอ้นี่มันคิดเยอะเหลือเกินอดี๋ยวม่อกี้ลองทําดูมันมีความคิดไหมความคิดนี่ขอบคุณมันนะนั่นแหละเขาแสดงทาให้เรารู้ความคิดเป็นธรรมะเป็นสนุกของชีวิตเราอย่าไปลังเกตอย่าไปปฏิเสธยิ่งไปห้ามความคิด มันยิ่งคิดหนักเขาบิ๋ดเคยนอนไม่หลับไหมนอนไม่หลับนี่เพราะอะไรเพราะมันคิดใช่ไหมแล้วเราอยากให้มันหลับไม่อยากให้มันคิดมันจะหลับแล้วมันไม่คิดหรือเปล่ายิ่งห้ามมันยิ่งคิดใช่แต่ถ้าเราบอกไม่หลับก็ไม่หลับกันไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวมันก็หลับเลี่นะอย่างตอนเนี้ฟังทําอย่างสบายๆไม่ได้ต่อต้า้อะไรในจิตใจมันก็ง่วงธรรมดาไม่เป็นไรง่วงได้แต่เราคิดเอพูดอะไรไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ความมันไม่ง่วงหรอ แล้วฟังเคลิมเนี่ยอ๋อจวลาตาฝืนใต้นิพพานแล้ว <c oughs> ง่วงก็รู้มันง่วงนะความง่วงเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ปฏิบัติเราไม่ฟังธรรมมันก็ง่วงอยู่แล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีการห้ามอะไรปล่อยทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราค่อยรู้เป็นมวยจังหวะสองอ่ะเขาชกมาเราคอยรู้มมรคอ่คอยดักชกมันคิดมาเราค่อยรู้มันมันง่วงเราค่อยรู้มันรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไอ้สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นอย่าไปรู้มันมันคิดเอา การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ห้ามอะไรเลยแค่รู้ทันมีส อ, อย่างคือรู้ทันกับรู้ไม่ทันถ้ารู้ไม่ทันก็ปล่อยไปเราก็มารู้ใหม่ไม่เห็นผิดอะไรเราก็ยังรู้อยู่เวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยตามหลักคืออย่าไปสนใจมันรู้มันคิดแล้วก็ทิ้งเลยนะกำลังอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการเคลื่อนไหวเอากายในเคลื่อนไหวนี้เป็นหลักอย่าอยู่นิ่งๆ อยู่นิ่งๆเนี่ยทำให้จิตมันไม่ตื่นเราเคยดูภาพนิ่งดูภาพนิ่งเนี่ยจิตมันสงบนิ่งไม่ตื่นแต่ถ้าภาพเคลื่อนไหวนี่จิตมันตื่นเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเจริญสติเนี่ยไม่เน้นเรื่องความสงบให้เน้นเรื่องความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันจะมีความสงบอยู่ในนั้นเป็นสงบแบบรู้ตัวด้วยมันคิดไปเราก็รู้แล้วก็ทิ้งเลยกลับมาหยุดการเคลื่อนไหวอันเนี้ยทาให้เรานอนหลับได้ อยูคนเดียวก็ไม่เหงานะไอ้ที่เหงาเพราะจิตมันไม่มีอะไรทําจิตมันว่างงานก็คิดปรุงแตง่งเด็กก็เหงาแล้วแต่ถ้าเจอสติอยู่เรื่อยๆเนี่ยทําอะไรก็รู้ตัวเนี่ยจิตมันไม่เหงามันมีงานทําไม่เบื่อไม่เต็งนั่นมันเกิดความคิดอย่าไปกลัวมันนะนั่นหลักคือธรรมะเขาบอกแล้วว่ามันคิดแล้วก็รู้แล้วก็เก็บเกี่ยวของสติเอาไว้ถ้าไม่คิดอ่ะไม่คิดก็ง่วงง่วงนี่ผิดไหมไม่ผิดโอ้ทั้งง่วงผิดกระเสริฐเลย นี่นก็ลมบากนะคนไม่ง่วงเนี่ยห่วงเนี่ยเขามาบอกเราว่าอ๋อล่างกายมันต้องง่วงนะถ้าคนไม่ง่วงนี่มันเดือดร้อนนะเนี่ยต้องง่วงเขามาบอกเราให้เรารูว้ว่าอ๋อนี่มันง่วงแล้วผมเองนี่ปฏิบัติจุวสตินี่ความคิดมันก็เยอะความง่วงมันก็เยอะทุกอย่างเยอะหมดเลยยกแม่งอย่างเดียวที่มันน้อยกว่าเขาไม่แน่เลยทุกอย่างในตัวผมนี่มีเยอะคิดก็มากง่วงก็มากทุกก็มาก แต่นี่อย่างเนี้ยน้อยกว่าเขาคือความสุขไงสมัยก่อนนี่มีความทุกข์มากความสุขน้อยกว่าคนอื่นแต่ก็ดีนะถ้าเรามีความสุขมากเหมือนคนอื่นเราก็คงไม่ไปฏิบัตินะง่วงมากทุกอย่างอาศัยการเอาชนะความคิดโดยการไม่ยุ่งเกี่ยวกับความคิดท่านอยากคิดคิดไปแต่เราจะไม่รู้สึกตัวทําแค่หนึ่งเดียวสติมันเลยตั้งมัน่นคนที่เวลาแพ้ความคิดเพว่าไปทําอะไรกับมัน รู้สึกตัวไปก็อยากให้มันสงบไม่อยากให้มันคิดไอ้ถาว่าอยากสองอยากเนี่ยมันคิดไหมพอนั่งยกมือเนี่ยอยากให้มันสงบแล้วใช่ไหมอยากให้มันสงบมันคิดไหมคิดอยากไงมันเจริญความคิดนะไม่เจริญสตินะไม่อยากให้มันคิดอันนี้ก็คิดไหมคิดอยากเพราะนั้นต้องทิ้งไปเลยทางหนึ่งเอาหนึ่งเดียวเนี่ยอันนี้คือทางลัดกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวความคิดมันก็หาย มันเริ่มสบายแล้วเอาชนะความคิดได้จิตมันเริ่มสงบพอสงบแล้วมันขี้เกียจผมบอว่า <c> ข <oughs> ี้กเกียจนะมันก็อยากมันก็จะง่วงต่อง่วงเนี่ยโอ้โหรำบาดมากเลยนอนปฏิบัติสู้ความง่วงแต่ใสเทคนิควิธีการเจอสีแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเอาส่วนไหนจะได้ที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีสติรู้ไปอย่างผมเนี่ยนอนพลิกมือนี่วเวลาหกเจ็ดชั่วโมงเนี่ยนอนมือซ้ายมัง่งมือขวามัง่งทำจนร่างกายนี้แข็งแรงเลยเพื่อสติมันตื่น มันเมื่อทํา่เปไงเมื่อเราใช้ศีรษะเนี่ยบิดไปมารู้สึกตัวทำงานได้มันอยู่ไวยวะมีเพียงแค่นี้ร่างกายใช้ได้เพียงแค่นี้มันทีกันพิมตาเล่นมางทีมาดูลมหายใจหายใจเข้ารู้สึกจออกรู้สึกตรงไหนที่เคลื่อนไหวได้ตรงนั้นเอามาจิตติได้หมดเลยนอนยักคนะิ้วเล่นสรงไหนที่ไม่พิ ก, การหรือพิการน้อยเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ เพราะเรามันอัตคัดเรื่องอียาววดเคลื่อนไหวมันได้ประโยชน์ทุกอย่างที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยเอามาจรดสติได้เลยแ ล, เลแล้วเวลาง่วงเาก็ขยับตัวเร็เวๆพิกมือเร็เวๆทําเร็เวๆยกมือเร็เวๆอย่างที่ทาเวลาง่วงเนี่ยอย่านั่งทําช้าๆนะเดี๋ยวมันง่วงตุ๊บตุให้มันเข่นแข็งคึกคักไว้เดี๋ยวมันก็หายง่วงทำตาโตๆอย่าทําตาลีๆทําตาโตๆมองไกลๆมองซ้ายมองขวาตบหน้าตกตาเบาๆ มองหน้าคนอื่นบ้างไอ้ที่มองก็ไรไหรมเห็นคนอื่นง่วงแล้วมันตลกพอมองหน้าเขาเนี่ยโมเราเห็นเรน้ำลายยื่นคางยาแล้วมันตลกมันก็หายง่วงไปได้ใช่ไหมเทคนิคเราอย่ายอมจำนมนมหาทางแก้ไขเราเดินได้เราเคลื่อนไหวได้ทําไปเลยเอาชนะได้โดยการที่ไม่ยอมแพ้สําคัญที่ใจนะถ้าใจาไม่ยอมแพ้เนี่ยอะไรอก็เอาชนะเราไม่ได้ง่วงก็ไม่ยอมแพ้เนี่ยทําทอยู่นี้แหละ อันนี้คือกรรมฐานมีสติรู้กายไว้ก่อนต่อไปเนี่ยมันจะเห็นความคิดเห็นจิตเห็นใจแล้วไม่ใช่รู้เพียงแค่นี้นะเราไปอยู่ปฏิบัติเนี่ยเวลาน้อ ย, ยพยายามตามรู้ในทุกเรียบทไม่ใช่เฉพาะการยกมือหรือการเดินตรงกลมการทานข้าวก็รู้สึกตัวการก้มกราบก็รู้สึกตัวกราบทําไมถึงกราบบ่อยๆกร า, าบบ่อยๆนั่นฝึกให้เรามีสติกับการกราบให้มีปัจจุบันอยู่กับที่เนี่ย ที่บ้านชมดาวเนี่ยถ้าจะคิดอย่าคิดนอกบ้านชมดาวนะเดี๋ยวมันจะฟุ้งออกนอกกําแพงเลยคิดอยู่ ใ, ใกล้ๆตัวเราชีวิตต้องมีปัจจุบันอย่างนี้แล้วเรามันจะมีความสุขการอาบน้ําการแต่งตัวให้รู้เนื้อรู้ตัวอย่าเคลื่อนไหวฟรีๆสามารถปตาติริเด้นทั้งหมดเลยพผกเองนอนพลิกมือไม่เพียงพอนะเดิมน้ําก็มีสติพลิกตัวก็มีสติเก็บเกี่ยวสติจากสิ่งนเหล่านี้แกวบงกายเคลื่อนไหวเล็กน้อย บางทีมันไม่รู้จะทำอะไรนะอ๋อหยิบประโหมมาคลี่อย่างมีสติแล้วก็พักอย่างมีสติหางานเจตนาเคลื่อนไหวเพื่อมีสติเก็บเกี่ยวแต่ละวันพอเราทำไปนาเข้าเนหนึ่งวันสองวันอันนี้ทำแบบคนพิการนะหนึ่งวันจังหวะถ้าคนปกตินี่ตั้งใจเนะี่ยไม่นานสติมันก็มากขึ้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อเก็บเกี่ยวสติให้มากๆเหมือนการบ่มกล้วย การบ่มกล้วยนี่บ่มมาแรกยังกินไม่ได้หนึ่งวันสองวันเปิดดูโอ้ยังเขียวอยู่อีกหน่อยหนึง่งไงเมื่อเวลาดีหรือมันได้ที่เนี่ยเดี๋ยวกล้วยมันก็สุกการปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันเก็บเกี่ยวให้บอ่อยๆพราสติมันมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวความหลงลืนนี่มันจะหายไปเองอัตโนมัติมีสติแล้วไอ้ความหลงลืนนี่มันหายไปเองพอเกิดสติขึ้นมานี่มันจะมีธรรมะที่ตาขึ้นมาคือมีสมาธิ เราอย่ากลัวว่าเอ๊ะทำอย่างนี้มันจะเป็นสมาธิหรือไม่อย่าไปกลัวเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมีสมาธิ อ, อยู่ในนั้นใครเคยทําสมาธิบ้างใครเคยนั่งหลับตาทำสมาธิบ้างก่อนจะเป็นสมาธินี่ต้องมีสติก่อนใช่ไหมต้องตั้งท่าต่างๆไอ้การตั้ ง, งท่าต่างๆเน่ยคือการมีสติพรสติเกิดเดี๋ยวสมาธิก็ตามมามันจะมีความตั้งมัน่นสมาธิคือความตั้งมัน่นจิตตั้งมัน่นชั้นยกมือรู้สึกตัวเนี่ยมันมีความตั้งมั่นอยู่ในมือขึ้นไหวอยู่แล้ว ม่ต้อปวดเรงสมาธิเป็นสมาธิที่ถูกต้องด้วยเรื่องเราสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิดิ่งนิ่งเงียบสะกดจิตสมาธิแบบรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมดกัดเราก็รู้ตัวถ้าคนทำสมาธิจริงๆมันทีมดกัดก็ไม่รู้นะหลับตาด้วยเอากระเป๋าตังค์วางไว้บางทีก็หายนะ <c oughs> แล้วเป็นคนที่ขี้ลืมคนทําสมาธิจะขี้ลืมถ้าโกรธ้วโกรธหนักแน่นโ <c oughs> กรธแบบสมาธิเลยนะโอ้หนักแน่นมาก นั้นการมีสติเนี่ยจะมีสมาธิตามายิ่งทําไปนานๆเนี่ยพอเกิดสมาธิแล้วเนี่ยจิตมันก็จะผ่อนคลายเพราะอะไรเพราะไอ้ความคิดปรุงแต่งมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นคนร้มันเครียดเพราะความคิดใช่ไหมใช่เนี่ยเป็นความคิดทําให้ใจเราเครียดพอมีสติมีสมาธิแล้วความคิดจะไม่ค่อยเกิดขึ้นจิตมันก็ผ่อนคลายความง่วงก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วที่นี่มันจะเกิดปีติเลยเกิดปีติ อิมออ่มอกอิ่มใจในช่วงนั้นเนี่ยแม้แต่จะมีความคิดขึ้นมาเนี่ยความคิดนี่เป็นส่วนที่ดีมากเขามาบอกเราคนที่เคยทําอะไรไม่ดีเอาไว้ทําผิดเอาไว้มันจะมาในความคิดเคยไหม <c oughs> จิตเราติอยู่เดี่ยว โ, โหนึกถึงคนโู้นคนนี้เราเคยทําอะไรไวะเขามาบอกเราเราก็รับรู้อ๋อรู้แล้วรู้แล้ว แ, แค่นี้ก็หายกันไปแนละ้วไม่ต้องแผลเม่ต่าเรารับรู้รับทราบหายกันไปแนละ้วอย่าไปตัวนะมันเกิดอะไรขึ้นมาอย่าตัว เรารู้แล้วก็หายจิตมันจะมีปิติปิติเนี่ยคือความอิ่มอกอิ่มใจอิ่มใจเพราะอะไรเพราะว่าทําในสิ่งที่ทําได้ยากปิติแบบเนี้ยมารักษาจิตให้มีสุขภาพจิตดีนออรับกินอิ่มสุขภาพจิตดีไม่เป็นโรคประสาทเมื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ดีด้วยอย่างผมนี่ไม่ค่อยเป็นอะไรไม่ค่อยเป็นอะไรโรคซ่าไม่ค่อยมีเพราะอราพร า, พราจิต มีสติมีสมาธิมีความอิ่มใจรักษากจิตได้รักษากายด้วยแกช่ช้าตายก็ใช่ก็แต่เราคิดว่าหปีต้องตายยี่สิบ2จ็ปีแล้วดูท่าจะอยู่อีกนานธรรมะหล่อเลี้ยงเอาไว้ไม่ธรรมะเกิดจากการอ่านนะการอ่านก็อ่านมามากแล้วฟังก็ฟังมามากแต่ว่าแก้ไขติดใจเราไม่ได้เลยเรารู้แค่ทฤษฎีรู้จำรู้จักรู้ว่าโกรธไม่ดี ที่เลดไม่ดีอาบายมุกไม่ดีบางทีใจมันอยากได้อยากจะโกรธถึงเราว่าไม่โกรธแต่ในใจยังคุกคุนเห็นไะเนี่ยอาจจะไม่ผิดศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดปรการเนี่ยไม่เดือนตุลาไม่ผิดศีลแต่ใจยังคิดอยากทําร้ายอยากได้อยากรักมันผิดธรรมไม่ผิดศีลแต่มันผิดธรรมแต่การปฏิบัติเนี่ย ศีลไม่ผิดทำก็ไม่ผิดคือเห็นกระจกเนี่ยมันสบายเลยเมื่อก่อนไม่เคยมีรอยยิ้มพอปฏิบัติแล้วมันเกิดรอยยิ้มขึ้นมาไอ้ความทุกข์เก่าๆเนี่ยมันหายไปหมดเพราะเราอยู่กับปัจจุบันการจริตสติถ้าไม่อยู่ปัจจุบันนะเนี่ยเคล็ดลับของความมีความสุขมีแค่เนี้ยอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันที่การเคลื่อนไหวอยู่กับปัจจุบันนี้ไม่คิดอะไรเป็นหนี้ใครเราก็ไม่รู้นะ เพราะปัจจุบันมันให้มันคิดปรุงแต่งตัวเองก็เป็นปัจจุบันมองก็ก็เป็นปัจจุบันหมดเลยทุกไม่เกิดขึ้นเนี่ยเคล็ดลับการมีสติเนี่ยทาให้อยู่กับปัจจุบันใชยชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนทําจากสิ่งที่ยากให้มันง่ายด้วยการเจริสติทําจากสิ่งที่มากให้มันน้อยทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นแต่กุศลธรรมสติเป็นธรรมที่เป็นกุศลเมื่อมีกุศลอกุศลเป็นบาปมันก็ไม่เกิดขึ้น เพรทุกครั้งที่เราอยู่ที่นี่นะที่เรารู้สึกตัวเนี่ยจะมีกุศลธรรมเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเก็บเกียเก่ยวกุรลธรรมดูอยู่ที่บ้านนะอยู่บ้านนี่โอ้ทีวีก็ต้องดูตู้เย็นก็ต้องเปิดับางทีไม่กี่าเปิดไว้ก่อนตู้เย็นแล้วก็ปิด <c oughs> เดี๋ยวนู่นกุศลารรมที่ก็ต้องทํามีเรื่องจะทําเยอะๆ อ, อยู่นี่ไม่ต้องทําอะไรทําใจอย่างเดียว <c oughs> ทำใจให้รู้สึกตัวอย่างเดียวไม่ต้องให้ทานไม่ต้องอธิษฐานอะไรหรอกเนี่ยให้รู้สึกตัวไปไเรื่อยๆจิตใจมันก็จะเบิกบาน มันเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยนะเปลี่ยนชีวิตใหม่แม้กายอย่าพิการอย่างเนี้ยเปลี่ยนทางจิตใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการฝึกจิตไม่ใช่ฝึกกายเมื่อจิตดีแล้วกายมันก็ดีจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นทั้งเสือปัญญาเป็นคนพายเมื่อมีสติมันก็มีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตเราอันนี้คือประโยชน์ของมันแล้วพอเรายิ้มได้เนี่ย คุณพ่อคุณแม่ท่านก็ยิ้มได้สดชื่นเราไม่ได้ไปทําอะไรท่านแต่เราเี็นแบบเปลี่ยนบุคลิกเราใหม่ปฏิบัติธรรมคุณพ่อคุณแม่ท่านก็สบายใจคิดว่าเราได้ที่พึ่งแล้วเราไม่ได้ไปสอนพ่อแม่บางคนบอกอยากใจคุณนู้นดีอยาคนนี้ปฏิบัติธรรมไปบอกเขามันนี้ก็เสียเวลาเปล่าเราทําตัวเราให้ได้แล้วไม่ต้องบอกหรอกของดีใครๆก็อยากดูใช่ไหมของดีใครๆอยากดู คุณพ่อคุณแม่กับการคนที่เกรงใจเราเพราะเราปฏิบัติธรรมแล้วเพียงแค่เปลี่ยนตัวเราอย่างเดียวไม่เพียงพอนะเปลี่ยนคนรอบตัวคุณพ่อเนี่ยเลิกทุกอย่างอ่ะบุหรี่ก็เลิกกาแฟก็เลิกเหล้าก็เลิกยาหอมยาดมยาอมยาหมองสิ่งเสติดเลิกหมดหันมาถือสินแบตไม่ทานข้าวเย็นจากคนที่เป็นคนขี้โกรธกับกลายเป็นใจเย็นแล้วก็จบชีิตไปอย่างสงบสบายไม่ห่วงลูกชายไม่ิการเห็นไหม ไม่ได้สอนอะไรท่านแต่ท่านเกิดความมั่นใจกพรตัวเราทําตัวเราก่อนแล้วคนรอบข้างเนี่ยจะได้รับกุศลทางนี้ตอนนี้คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็มีเคยกังวลเรื่องผมเหมือนกันเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนชีวิตท่านใหมายโดยการที่ไม่ต้องทำให้ท่านกังวลมีความสุขให้ท่านเห็นเยือบเยนงง็นทางสัมผัสท่านก็สบายใจผมเองไม่เป็นคนทีคนหนึ่งเปนห่วงนะแต่คุณแม่ไปห่วงคนอื่นซึ่งมีร่างกายดีกวาเราแค่นี้แหละทําให้เราช่วยคนรอบข้างได้ การเจริญสติเนี่ยมีประโยชน์มากประโยชน์มหาศาลอย่างน้อยเมื่อมีสติแล้วทําให้เกิดปัญญาเวลามีปัญหาแก้ปัญหาชีวิตได้ปัญหาบางทีแก้ไม่ได้แต่ว่าแก้ใจไม่เป็นทุกข์กับปัญหานั้นทำได้ใครเขาสับสนวุ่นวายเราก็สงบอยู่ได้ในท่ามกลางของวุ่นวายใครเขามีทุกข์กันเรานั่งยิ้มได้ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาแต่ช่วยเหลือเขาได้คนมีสติเนี่ยไม่เป็นคนที่หลงขี้ลืม พูดสูงอายุลืมบ่อยไหม <c oughs> ลืมเพราะขาดสตินะเนี่ยฝึกสติไว้แล้วมันจะไม่ลืม <c oughs> เป็นที่พึ่งไปจนตายเลย <c oughs> ก่อนจะตายไม่ต้องให้มีใครบอกพุโทโธไม่ต้องเราสร้างขึ้นมาเดียตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผลแต่ต่อไปเนี่ยก่อนจะจบชีวิตจิตจะดับเนี่ยสติจะมาช่วยมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะเราสร้างอยู่เรื่อย สุขภาพจิต ด, ดีนอนหลับสบายคนที่นอนไม่หลับมีความเครียดเป็นทุกข์แล้วก็ฆ่าตัวตายก็เพราะขาดสตินะไึกอย่าไปะตายก็ตายเลนะขาดสติคอยยับยั้งชั่งใจสุขภาพจิต ด, ดีสุขภาพกายดีการงานก็ดีทำอะไรก็สดชื่นเบิกบานคนเราเดี๋ยวนี้ทำงานแบบเครื่องจักรทำไปหยุดหเครื่องจักรนะเราทางานเนมีเสียงอ้อยออยมันทางานแล้วมันเครียด แต่คนมีสติอยู่การทํางานเนี่ยทํางานไปใจมันไม่เครียดใจมีแต่ความผ่อนคลายเบิกบานไปทำงานงานคือความสุขที่สำคัญคือสติคือคุณธรรมเราไม่เอาไปเรียนคุณธรรมที่ไหนเราฝึกสติตัวเดียวมันจะมีทั้งความเมตตาความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่อายชั่วกลัวบ่คนที่รักษาศีลได้ต้องมีสตินะคนขาดสตินี่รักษาศีลไม่ครบ่ะศีลเป็นผู้รักษาสติสติก็รักษาศีล เนี่ยมันเป็นกระบวนําที่ต่อเนื่องกันสติมาจากไหนคิดเอาก็ไม่ได้ต้องสร้างขึ้นมาต้องฝึกสร้างขึ้นมาฝึกสร้างเขาก่อนต่อไปเขาจช่วยสร้างเราตอนเนี้เราต้องลงทุนลงทุนสร้างสติเมื่อสติเกิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะขยัน เ, ยเองตอแรกต้องขยันก่อนแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนเลยนะบางทีมันเบื่อมันท้อแท้มันเซง็งอย่าเพิ่งไปเชื่อมันอดทนทํำไปก่อน มันเบื่อยกมือก็ยกไปก่อนความเบื่อมันเป็นความคิดอย่าไปเชื่อมันเราเชื่อมันมาม า, มากแล้วยกมือไปมันเบื่อแล้วยกไปยกจนหายเบื่ อ, แ ล, อ, ลดด อ, อแล้วเขาหยุดนี่คือตัวเราเดินจงกลมมันขี้เกียจเดินไหมก่อนเดินไปพอมันหายขี้เกียจเราเขาหยุดอันนี้คือตัวเราพอขี้เกียจปั๊บหยุดเลยเราพลาดท่าความคิดไปแล้วถูกมันหลอกเราฝืมาานมันสัไหร่อยพอฝืนมาจะเห็นความไม่เที่ยงของความคิดมันเกิดปัญญาลงทุนจิตสติขยันก่อน ต่อไปสติเกิดมันจะขยันเองทําแบบไม่ต้องการอะไรถ้าเกิดความต้องการแล้วไม่ได้ตามใจแล้วก็มันจะเครียดนะมันจะเป็นทุกข์ทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ทํำเรื่อยๆต้องสันโดรในการปฏิบททัติทำพอใจอย่างที่เราทําได้อันนั้นคือความสุขเราทําไม่ได้อย่าไปไม่พอใจเก็บเกี่ยวไปเรื่อยเงี้ยอย่าไปหวังว่าอยากให้มันสงบไม่อยากมัคิดเราจะทําให้เราต้องเป็นทุกข์นะสร้างเหตุสร้ามา สร้างเหตคือขยันรู้สึกตัวทุกอย่างเนี่ยจบลงด้วยความขยันแล้วก็อดทนเช่นเดียวกับผมเนี่ยประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดต้องแลกมาจากความทุกข์จนพิการตลอดชีวิตจึง ไ, ได้ประสบการณ์มันทำให้ผมเนี่ยต้องหันเหตุชีวิตมาปฏิบัติธรรมทุกทําให้เกิดศรัทธาความทุกข์มาเตือนว่าต้องปฏิบัติธรรมนะบางครั้งมันท้อแท้ใจเราไม่อยากปฏิบัติแล้วยกมือหน่อยมันก็เบื่อ เคยไหมทำาปสั้นๆนากๆเนี่ยเบื่อเบื่อเพราะสมาธิเราสั้นยกหน่อยก็เบื่อเวลามันเบื่อมันต่อแทก็ให้กําลังใจตัวเองใครให้กําลังใจเราเนี่ยไม่ถูกใจเมื่องให้กําลังใจตัวเราเมื่อเราคันเนี่ยใครมาเกาให้มันก็ไม่มันเราเกาเองมันถึงจะมันให้กําลังใจตัวเองมันท้อแท้หรือถ้าขืนท้อไปอย่างนี้นะเราก็แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ต้องนอนเป็นทุกข์ไปจนตายนะ แต่ถ้าไม่ทอ้อลองปฏิบัติขยันดูมันมีโอกาสออกจากทุกข์ได้มันมีทางเรียคือเรื่ออย่างนั้นไหมเราเหลือเวลาน้อยแล้วเราไม่เล่ อ, อย่างนั้นเลยประสบการณ์ทั้งหมดต้องแลกด้วยความทุกข์จึงจะเข้าใจชีวิตแต่ว่าสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยต้องแลกด้วยความขยันแล้วก็อดทนมันจึงจะได้ไมายอมแลกไหมความขยันเป็นคุณธรรมนะพุทโธองตัดว่าวิริยเนะทุกขมักเจติ บุคคลจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรแค่มีความเพียรเราปฏิบัติทําตามที่พระเจ้าสอนแล้วอันนี้เป็นบุญแล้วเป็นคุณธรรมด้วยถ้ามันเกิดความท้อแท้ต้องอาศัยความอดทนความอดทนก็เป็นคุณธรรมพระองค์ตรัสเลยว่าขันติคือความอดกัน้นเป็นธรรมเครื่องเผาเกล็ดอย่างยิ่งเห็นไหมเราจะไม่อดทนเลยสองอย่า ง, งนั้นทั้งขยันแล้วก็อดทนทุกอย่างเนี่ยราบคาบไปหมดเลย อันนี้คือเคล็ดลับของการปฏิบัติทําแล้วไม่ต้องเอาอะไรเดี๋ยวมันก็ได้องยังน้อยก็ได้ทํา <c oughs> ได้กันตามเามต่อพระพุทธเจ้าอาะไรไหนว่าเราได้มาร่วมกันปฏิบัติแล้วเราก็ให้ทานมาแล้ ว, ลวรักษาศีลมาแล้วตอนนี้เราลองมาเจริญภาวนาให้เจริญภาวนาพผมเองก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาใช้ชีวิตที่พิการอย่างนี้แต่เพราะว่าเป็นความไม่แน่นอนของชีวิตความไม่แน่นอนทาให้เปลี่ยนชีวิตจากคนที่มีความสุข มาเป็นคนที่มีความทุกข์สุดๆเลยและต่อมาเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการเจริญสตินี่แหละเป็นการสร้างที่พึ่งตัวเองใครก็ช่วยเราไม่ได้ตอนนี้เรามีที่พึ่งแล้วแก้ปัญหาตัวเราได้แล้วก็เพราะอาศัยการเจริญสตินี่แหละ